เพราะในครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดนะมาจากหมื่นจักรวาลมาจากแต่ละจักรวาลก็มาประชมกันจักรวาลเดียวพร้อมทั้งเท้ามาหาราชทั้ง4เท้าสักกะเท้าวสุยามเท้าสันดุสิตเท้าสุนิมิตและก็เท้าวัสวัตตีเท้ามหาพรหมก็คือเน้นพิเศษก็คือพวกกลุ่มมาเจราจาอ้อนวอนนั้นก็เน้นแต่เท้านะทำว่าเท้าก็แปลว่ากษัตริย์เนี่ยนะราชาแห่งหมูเทวดาทั้งหลาย เทวดาเหล่านี้ผู้เป็นหัวหน้าก็พากันไปยังสำนักของพระโพธิสัตว์ผู้มีนิมิตแห่งการจุติเกิดแล้วจากภพดุสิตหมายคาอว่ามีเครื่องหมายบอกแล้วว่าท่านจะตายจากดุสิตเทวดาเหล่านั้นก็ไปอ้อนวอนขอร้องว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ท่านนิสร้างบารมีสิทธ์ะนะบารมีทั้งสิทธิ์ท่านก็บำเพ็ญ ค, ครบเสร็จสิ้นแล้ว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 ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็จะสร้างสะพานคืออริยมรรคพาสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามจากโกขละสงสารปกติแล้วพระโพธิสัตว์อันทวยเทพทูลอ่อนวอนอย่างนั้นก็ไม่ได้ประทานปฏิญญารับรองทันทีเอาไปเลยะนะมาขอปั๊บทันรับทันทีเลยนะไม่ นะนะบางคนเนี่ยนะก็ถูกคอ้องยังไม่ใครครัวนะรับปากเสร็จแล้วอย่างเง้ย น, นะอันนี้ไม่ใช่จะไม่ใช่เรียรับปากขอพิจารณาดูก่อนท่านก็เลยพิจารณาถึงปัญจมหาวิโลกะนะบางแห่งในท่านในมิลินนะปัญหาใช้คําว่าอัฏฐมหาวิโลกะนะวิโลกะนะ8แต่ตรงนี้ยกมาแค่5มหาวิโลกะนะ5 5อย่างมีอะไรบ้างกาละการเวลาสองทวีปสประเทศ4ี่ตระกูล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 ในยุคสมัยที่คนจะบรรลุทำได้โดยมากยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกจะต้องยุคสมัยที่ไม่เกินแสนไม่ต่ำกว่าร้อยพระพุทธศาสนาจะมีอยู่ช่วงนั้นทีนี้เลทร้อยมาเนี่ยเชื่อเสียสงไขแสนกลับมาเนี่ยเพิ่งมีองค์ของเรานะีมาช่วงร้อยปีพอดีข้อต่อหลังจากร้อปีพวกเราเกิดมาเลยทันเลยนะก็เลยได้พอจะได้ศึกษาได้อรหังสัมมาสัมพุทโธพระควากับเขาบ้างไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้เดือดร้อนแน่นะ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 ถ้าเก็บน้ําฝนไวไ้ไม่พอเนี่ยนะต่อไปกระหายแน่เหมือไม่มีเพราะว่ามันอะไรน้ําคือบุญเนี่ยมันแบ่งกันดื่มไม่ได้นี่ยนะบุญใครก็บุญใครนะอย่างมากก็ช่วยกันได้นิดๆหน่อยๆนะให้อาหารปลาได้บ้างแค่นั้นแหละทำเกินกว่านั้นก็ยากไม่รู้จะไปช่วยตรงไหนสรุปว่ากาละที่พระโพธิสัตว์จะมาเกิดเป็นมาเกิดเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้องยุคที่มนุษย์อายุไม่เกินแสนปีเพราะอะไร ถ้าเกินแสนปีแล้วไม่ใช่เวลาที่สมควรทําไมจึงไม่สมควรอายุยืนนี่นสิจะได้มีเวลาสอนกันเยอะๆใช่ไหมยิ่งอายุยืนจะได้มีเวลาแนะนํากันเยอะๆบอกตรงกันข้ามไม่ใช่อย่างนั้นหรอกทําไมละ่ะก็เพราะว่าในเวลาที่มีที่มนุษย์อายุเกินแสนปีเนี่ยนะแหมมันเกิดมาเหมือนไม่รู้จักเกิดจากแ ก, าก่จากเจ็บจา ก, จากตายไม่รู้เลยนะว่าไอ้เก่ดแกเจก็บตายมันเป็นยังไงชาติปิทุกคราชราปิทุกครามรณะปีทุกครั้งอ้ไม่เข้าใจ ก็สบายดีอยู่ตลอดนี่ก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรอาหารก็บริบูรณ์พูนสุกทุกอย่าง น, นะก็ทุกคนก็ไม่กม็เห็นแก่เลยนะอยู่มาตั้งนานแล้วอยู่มาเป็นแสนปีแล้วคุณมาพูดอะไรชาติพิทาติพิทุขาชาลาปิทุกข า, า, า, กขาเพราะฉะนั้นชาติชาลามอรณะเขาแทบไม่ได้ยินเลยเขาไม่เข้าใจและที่สำคัญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพ้นจากไตร ล, ลักษณ์คือชาติพิทุขาชาาปิทุขามรณะปิทุขังไม่มีหรอก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 อภิสมัยการกำหนดรู้ทุกละสมุทัยการทำนิโรธให้แจ้งการเจริญอริยมรรคเพื่อโสดาปติมรรคส ก, ากาธาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคก็ไม่มีเมื่ออภิสมัยการตรัสรู้ทำไม่มีการคำสอนก็ไม่เป็นนิยา น, นิกธรรมอย่างสมมตินนะถ้าพูดถึงบอกว่า พวกที่ที่มีอายุเป็นแสนแสนปีเนี่ยก็เหมือนกับเด็กน้อยๆที่แบบแหมวาดฝันชีวิตเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยอายุยังยืนยังยาวเนี่ยเด็กน้อยๆเนี่ยไปพูดแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เนี่ยนะเขาจะรู้เรื่องไหม น, นะอายุสักเอาสักสิบขวบเลยอะพอเรียกว่ารู้ภาษาพอสมควรนะ น, นะหนูความเกิดมันเป็นทุกข์นะลูกความแก่ก็ทุกข์นะแม้ความตายก็ทุกข์แม้ความโศกก็ทุกข์ เป็นต้นบอกมันรู้ไอศครีมโน่อนอร่อยกว่าเยอะเนี่ยนะมันรู้แต่เรื่องไอศครีมเรื่องขนมนั่นแหละมไม่รู้อริยสัจอะไรพวกอที่อายุมากๆก็เหมือนกันไม่ได้สนใจอนิจจังทุกขังอนัตตาอาริยสัจชาติชรามระม่าอยากฟังทั้งนั้นแหละเว้ยอย่าว่าคนขนาดนั้นเลยนะอายุสิบขวบจะคูณสิบอยู่แล้วขนาดนั้นก็ยังไม่คิดจะฟังเลยบางทีมันก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ใส่ใจโยนิโสมนสิการที่จะพิจารณาตามที่จะรู้ตามที่จะเห็นตาม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 เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพระโพธิสัตว์คือช่วยเขาจริงไม่ใช่ช่วยตัวเองจริงถ้าช่วยตัวเองจริงนั้นคือพระประเจกพระพุทธเจ้าเมื่อไรก็ช่างกขอให้บรรลุเป็นใช้ได้กลุ่มนี้จะเป็นพระประเจกหรือกลุ่มเป็นพระสาวกแต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่สําคัญคือว่าช่วยผู้อื่นจริงได้อย่างไรจริงไหมเนี่ยไม่ใช่คิดว่าช่วยนะไม่ใช่เอาทุกไปล้มทับใส่เขาเลยบอกเนี่ยฉันช่วยเธอนะเอานี่ก็อนนี้ไปกันแล้วกันแล้วก็พาร้าหัวโตเลยนะ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 ทุกอย่างเป็นดังใจหวังหมดทุกอย่างมีแต่ความสดชื่นคีดอะไรทุกอย่างสมความปรารถนาหมดนะถามว่าจะฟังทำไหมเดินะยากมากเลยนะถ้าใครเป็นคื อ, ค, อคือคนแบบพระโพธิสัตว์มีอยู่คนเดียวหวังกันเถอะเอาเอาแบบว่าสมบูรณ์ภูมสุขนะปราศาสตรสมหลังเรียกว่าสวยเนี่ยส่งมาทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดเลยร่ํารวยมเหสีก็สวยลูกก็แม่พึ่งคลอดน่ารักมากแล้ว อ, ออกบวชเนี่ยนะมีคนเดียวนะ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 ปกติแล้วโอ้ยตบมือดีใจหัวเราะจ่ายรางวัลน่ยนะถ้าท่านรวยมากเลยนะรวยมากเพราะฉะนั้นเป็นที่เรียกว่าตบรางวัล น, นี่เรื่องปกติของท่านเลยนะวันนั้นนี่ไม่ตบไม่รางวัลไม่อะไรใครทั้งนั้นนั่งเนียดจ้องเลยนะแล้วพระโมกขาลานะก็เป็นด้วยยังไงดีเพราะฉะนั้นเราไปหาพวกเราไปหาโมกธรรมกันเถอะนะเราก็จะคิดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะตรัสรู้ได้นะี่ต้องมีบุญมีวาสนามีอุปนิสยัยโดยเฉพาะารุ่นที่สําคัญสําคัญนี่ยนะ สรุปว่าทบทวนว่าถ้าเกินแสนปีแล้วก็ยากนะพระพุทธเจ้าสอนแล้วเขาไม่ฟังหรอกถ้าอายุต่ํากว่าร้อยปีเช่นกับสมัยพวกเราเนี่ยนะใครที่มีอัธยาศัยยต้องช่วยเหลือกันแม้นักเผยแพร่เลยแบบนั้นเถอะน้องเนาะลูกหลานพระโพธิสัตว์มาเกิดต้องช่วยผู้อื่นให้ได้เนี่ยนะก็มาดูเอว่าถ้าต่ำกว่าร้อยปีเป็นยังไง น, นะถ้าบอกว่าถ้าต่ํากว่าร้อยปีเนี่ยนะก็ไม่ใช่กาละอันสมควรทําไมล่ะ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 คำสอนที่ให้ไปแก่สัตว์ที่มีกิเลสหนาะแน่นก็ไม่คงเรียกว่าไม่คงอยู่และเขาเองก็ไม่สามารถอยู่ในฐานะโอวาทที่จะปฏิบัติตามโอวาทโอวาทก็จะขาดหายเร็วเหมือนรอยน้ำที่ขีดในน้ำถ้ า, ถาใครเป็นเด็กๆนะ่จะชอบเล่นนะเล่นขีดในน้ำ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 นะครับพวกที่อายุน้อยต่ํากว่าร้อยปีนั้นถือว่ารอยไม้ที่ขีดไปในน้ําจริงนะเขาอขอกมาเองก็คิดนะถ้าเราไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกนี่แย่ของเงนนะทำท่าก็คือมันก็ทั้งหมดนั่นแหละยุคนี้นะโดยรวมแล้วเป็นอย่างนั้นเลยเนะเดี๋ยวเอาไปเอามาก็จะเลื้อยแต่อิติปิโสเอาไปเอามาก็จะเหลือแต่นะโมเอาไปเอามาก็ยกมือไหวผ่านะอย่างนั้นนะ ก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าหากว่าอายุน้อยๆต้องพยายามเข้าใจสภาพว่าถ้าเราเกิดมาในยุคมนุษย์อายุน้อยต่ำกว่าร0ยปีเนี่ยถือว่ายากถือว่ายากแต่ว่าจะได้บ้างก็ภาพเพียงพยายามอุตสาหะแรงกล้ามากนะเพราะเรากลมเรียกว่านะรอยไม้ขีดในน้ำ่างนั้นเหมือนรอยไม้ในน้ำเนี่ยยากอย่างนั้นแหละ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 พูดเกณฑ์เฉลี่ยทั่วๆไปเนี่ยท่านแนะแนวให้คิดบอกว่าร้อยปีลดปีร้อยปีลด ป, ลดปีประมาณร้อยปีอายุไขเฉลี่ยมวลอง์รวมของมนุษย์จะลดปีหนึ่งร้อยปีลดปีร้อยปีลดปีพันสมัยพุทธกาลอายุร้อยปีเศษเศษเป็นเรื่องธรรมดานะร้อยปีบ้างร้อยยี่ิปีบ้างร้อยสารอยสีก็พอมีอยู่บ้างแต่พอมาถึงยุคพวกเราเนี่ยนะโอถ้าอายุร้อยกว่าปีนี่แหมอัศจรรย์มากเลยนะอยู่ได้ยังไงเนะี่ยอยู่ได้ตั้งนานเนี่ยนะ มันถ้าหากว่ามนุษย์ที่อายุน้อยก็ไม่ใช่เวลาพงมาช่วงร้อยต่อร้อยปีพอดีมันถัดจากนั้นมาอายุน้อยอายุน้อยลงอายุน้อยลงแต่สําหรับพระโพธิสัตว์ตอนนั้นเห็นว่าร้อยปีร้อยปีก็ได้เวลาอันสมควรแล้วละ่ะจากนั้นก็พิจารณาถึงทวีปว่ามนุษย์โดยรวมนอายุร้อยปีก็จริงแล้วมาหาทวีปทวีปทั้ง4ี่พร้อมดังทวีปน้อยคำว่เาเกาะ เกาะเล็กๆน้อยทั่วไปเนี่ยประมาณ 2,000 เกาะเป็นบริวารเนี่ยทวีปแปละวะะ่าเกาะทีปะนี่ปแปลว่าเกาะเกาะไหนบ้างที่พอที่จะมาเกิดและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าไม่เกิดในทวีปอื่นเกิดเฉพาะในชมพูทวีปเท่านั้นนี่ต่อไปออสำรวจดูโอกาสก่อนโอกาสคืออะไรคือสถานที่ที่เกิดเนี่ยนะคือตำแหน่งอ่ะ วิธีคิดของของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะโดยเฉพาะชาติเนี่ยเขคือเหมือนกับมองจากเรดาร์มองลงมาแล้วค่อยๆแบบค่อยๆเก็บภาพเก็บเเกก็็บบก็บลงจนถึงเจาะพ่อเจอาะแม่เจาะชาติตกลุนอ่ะนะเรียกว่ามองจากบนลงล่างอะไรเรียกว่าใช้ระบบเรดาร์หรืออะคอลไพระบบดาวเทียมเรียกว่ามองแบบคเครียกว่าภาพจากดาวเทียมแล้วค่อยดลดลดลดลดลดลงมาแล้วบอกเกิดตรงไหน นะท่านคิดแบบดูถ้าใครดูอะไรที่ระบบดาวเทียมนี่จะเข้าใจว่าท่านจะค่อยๆจํารวจมาจากแบบนั้นลงมาแต่แล้วก็ตรวจดูโอกาสว่าชมพูทวีปเนี่ยนะมีอาณาเขตบริเวณประมาณหมื่นโยน์พระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเกิดที่ไหนก็เห็นว่ามัชชิมะประเทศตกลงว่าเมืองกระบิลพัฒนี่แหละเราจะเกิดณที่นั้นนะนะแมมเลือกได้เนปาล น, นะทีนี้ก็ดูตระกูลนี่ว่าแมประเทศนะั้นอ่ะไม่ใช่วันน้อยๆ น, น, นะแล้ว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 ที่รตระกูลกษัตริย์นี่แหละที่โลกเขาสมมุติเขายกย่องเขานับถือมากอารจะเกิดในต ร, กกระตรตรกูลกษัตริย์ตระกูลกษัตริย์มีใครเป็นบิดาเพราะมีทั้งอะไรพระเจ้าสุทโธทนะสุกุธนะธนะอมิโตทนะก็ไล่มาเรื่อยสุโทโธทนะนี่แหละจะเป็นพัชชนกของเราแล้วก็ตรวจดูแม่เพราะว่าพระเจ้าสุทโธทนะมีหลายมเหสีนะนะพนางมหามายาบั้งพะนางโคตมีมั้งก็ดูแม่ก่อนนะนะดูพ่อได้แล้วดูแม่เอาแม่เอาใครดี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 แต่สมัยหลังๆเนี่ยเขามายังเคยได้ยินเลยบางคนก็ตั้งความปรารถนาะอยากเป็นแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราก็นึกว่ามีแต่ในคำพีบอกเออคนที่คิดอย่างนี้ก็มีนะโอยอะไรจะวิจิตเท่ากับจิตไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะจิตวิจิตมากแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ตำหนินะก็อนุมโมทนานะขอให้มันปรารถนาดีเถอะมันจะอีกเมื่อไหร่ก็ขอให้ตั้งอัธยาศัยดีๆเอาไว้เถอเนี่ยนะวันนี้ทาไม่ได้ ไม่มีใครทําอะไรได้ภายในวันเดียวรอกแล้วลยิ่งสิ่งใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆโครงการยิ่งโครงการใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้าคิดกันเป็นอสงไขยอสงไขยก็ไม่ได้คิดจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้รอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่ได้ห้ามที่จะตั้งความปรารถนาสําคัญก็ให้ปรารถนาดีๆเธอเนี่ยนะปรารถนาอะไรก็ได้ที่มันดีอ่ะนะเรียกว่าเป็นอัตตะสัมมาปณิที่เป็นมงคลเนี่ยนะอย่าไปตั้งผูกเวนแม้ถ้าไม่ได้ดามันคงนอนไม่หลับถ้าอย่างงี้ไม่ดีอ่ะนะ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 ทีนี้ต้องเล็งลงไปอีกว่าตอนนี้นางอายุเท่าไหร่แต่บอกว่าถ้าหากว่ากปกติแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์จะลงมาเกิดตอนที่แม่เหลือชีวิตอยู่แค่สิ บ, สบเดือนกับเจ็ดวันะนะเพราะฉะนั้นก็ดูว่าอายุแม่เหลือเท่าไหร่ะนะก็ดูแล้วว่าเออตอนนี้พระนาง ม, มีพระชนมายุเหลือ อ, อีกสิบเดือนกับเจ็ดวันก็สํารวจเนี่ยนะใครเรียกว่าเลงอะไรนะเลงแบบโทนอีกครั้งว่าเลงแบบใช้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 เสร็จแล้วพระโพธิสัตว์ก็พิจารณาเสร็จแล้วก็รับปฏิญญารับคําของเทวดาทั้งหลายว่าท่านผู้นรุตุกเรียกว่าที่จริงเขาพูดกันดีนะเทวดาแต่ว่าท่านผู้ปราศจากทุกโทษทั้งหลายาผู้ที่มีแต่ความสุขนะผู้ที่มีความสุขทั้งหลายาผู้นรทุตุกนรุตุกก็แปลว่าปราศจากทุกโศกโรคเวรภัยอันตรายเนี่ยนะ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 อดีนะเออเนี่ยท่านทําบุญอ่าบุญตัวนั้นท่านก็ทํามาถ้าเป็นอะไรเทวดาก็มาบอกทานท่านก็ให้มาศีลท่านก็รักษาภาวนาท่านก็เจริญเนคขมมะท่านก็เจริญปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาท่านสร้างมาเยอะเนี่ยเขาว่าแบบแบบอะไรนะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับว่าผู้มีบุญมากนะจะเลือกเอาบุญตัวไหนนําเกิดก็ได้จะเอาตัวไหนนําเกิดดีมัางนั้นมีบุญมากขนาดนั้นนะนะ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 ในสวนอันทวันพระโพธิสัตว์ก็จุติมาถือปฏิสนธิในพระคันของมหาพระมานางมหามายาเทวีโดยดาวนกษัตว์อุตหรือรียว่าอุตราศรพระโพธิสัตว์นั้นเกิดในวันเพ็ญเดือน8ปดปฏิจุติจากดุสิตมาปฏิสนธิในพระคันวันเพ็ญเดือนแปดในขณะที่พระมหาบุรุษทรงถือปฏิสนธิในพระคันพระชนนี น, นะ เขาบอกว่าทั่วมืนโลกาธาตุก็หวั่นไหวพร้อมกันในข่าวเดียวกันแสงสว่างอันโอฬานก็เกิดขึ้นบุพภณิมิต32ประการก็ปรากฏขึ้นขณะที่ปฏิสนธิในพระคันเนี่ยนะนหลังจากที่พระโพธิสัตว์ปฏิสนธิในพระคันตั้งแต่ปฐมังกะลังโหติตั้งแต่เป็นอะไรนะหยดน้ําใสไหลมาเรื่อยเนี่ยนะจะมีเทพพระบทสี่องค์เนี่ยถือพระคันทําหน้าที่อารักขาเพื่อป้องกันอุปัทวะเหตุแก่พระโพธิสัตว์ผู้ถือปฏิสนธิ และก็ถือดาบถืออาวุธเนี่ยคอยดูแลพระพุทธมารดาพระชนนีของพระโ พ, พธิสัตว์ด้วยประการชนีหลังจากอยู่ในครันแล้วก็โหเทพมอ่เาเรียกว่าเทวดามาเป็นองค์ครักเลยนะแล้วเทวดาเนี่ยนะมันต้องมาแบบเท้าจาตุมมหาราชนะถามว่าทําไมต้องเลือก ท, ทวะเทวดาชั้นจาตุมเพราะว่าเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยนะบริวารท่านมีหลายกลุ่มด้วยกันเช่นท้าวเวสวรเ น, นี่ยยักษ์ดูแลค่าเรียกว่าเต็นเป็นหัวหน้ายักษ์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 เหมือนอะไรเหมือนได้ขาวร้อยเข้าไปในแก้วมันีอันใสฉะนั้นเนี่ยนะเหมือนร้อยได้ในแก้วมันีร้อยใสๆก็มองเห็นได้เลยแหละก็เพราะเหตุที่คันที่พระโพธิสัตว์อยู่เสมือนกับห้องพระเจดีนะเหมือนกับเจดีที่เรียกว่าไม่สาธารณะแต่ชนเหล่าอื่นบัรษัทอื่นไม่อาจจะอยู่หรือใช้สอยได้ฉะนั้นพระมารดาของพระโพธิสัตว์เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูตรคลอดได้เจ็ดวันต้องทํากาละบังเกิดในสวรรค์ชั้น ดสิอันนี้ถือว่าเป็นธรรมเนียมว่างั้นเถอะเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นคนที่ปรารถนาจะเป็นผู้ธรรมารดาก็เข้าใจตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยนะส่วนสตรีอื่นๆเนี่ยนะมีคันอาจจะมีถึงสิเดือนก็มีเกินก็มีนั่งคลอดบ้างนอนคลอดบ้างฉันใดแต่สำหรับพระมารดาพระโพธิสัต์หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะอะไรเพราะมารดาของพระโพธิสัตว์บริหาร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 ตระกูลของตัวเองอันนี้คือถือว่าเป็นธรรมเนียม น, นะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆสำหรับพระโพธิสัตว์อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะ น, นะสี่ฝ่ายพระพระองค์ก็พนาง น, นะพะนางก็ปรารถนาที่จะกลับไปประสูต์ที่เรือนแห่งญาติก็กราบทูลเล่าให้พระเจ้าสุดโททนะมหาราชว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมกล้าวหม่อมชั้นเนี่ยน ะ, ะใครจะไปเทวทหานคร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 ในระหว่างเมืองเทวทหะกับเมืองก บ, บิลพัฒน์นั้นอ่ะมีมงคลสารวันชื่อว่าสวนลุมพินีที่ควรใช้สอยของชาวนาครทั้งสองเป็นสวนที่ชาวเมืองทั้งสองก็มาอ่ามามาใช้สอยกันเนี่ยนะในมงคลสารวันนั้นสมัยนั้นต้นต้นสาราก็ออกดอกบานสับพรางตั้งแต่โคนไปจนถึงยอดพระนางมหามายาพอมองเห็นป่านั้นอ่ะน่ารื่นรมงงามเหมือนสวนนันทวัน อันเป็นที่สำเริงสำราญแห่งถวยเทพมีหมู่แมลงพึ่งอันพึ่งอื่นๆเลี้ยงดูผู้เพลิดเพลินในรสหวานที่ทำให้เกิดความยินดีอย่างยิ่งเป็นสวนที่น่ารื่นรมเป็นที่ที่พวกพึ่งอยู่ด้วยความเมาอ่างั้นมีรวงรังอันเสพแล้วร้องกระห่มอยู่ตามระหว่างเกิ่งและระหว่างดอกไม้ทั้งหลายเพราะว่าดอกไม้แท้เนี่ยต้องมีพึ่งตอมใช่ไหดอกไม้ะะนั้นก็ ถ้ายกย่องถึงพึ่งเยอะก็แสดงว่าป่าแถวนั้นทั้งมีกลิ่นหอมทั้งสรารพัดอย่างนะหลายลอย่างอยู่ด้วยกันพระเทวีก็มีความคิดจะเล่นที่สวนนะอยากไปชมต้นชมตอกชมไม้ชมนกชมสวนไปเรื่อยนะก็กล่าวว่าสวนลุมพินีอันธรรมชาติประดับแล้วเป็นที่วันไหวของคนปัญญาอ่อนแปลว่าคนปัญญาน้อยทั้งหลายมองเห็นแล้วแม่ใจเนี่ยวันไหวด้วยอะไรด้วยตัณหานะ คนปัญญาน้อยนี่เห็นแล้วก็โอ้ยชงเออยู่นั่นแหละดูดอกแล้วดอกเล่าดอกแล้วดอกเล่าเนี่ยนะเชอแต่คิดให้มันดีๆนะถ้าจุติตอนนั้นจะไปไหนว่าเป็นผีเสือเ้อแมลงผูแมลงพึ่งอะไรก็ว่ากันไปอ่นะมันพวกหมูพมอเนี่ยนะแต่งตัวแล้วก็ไคำว่าชอบชมเชยมีหมูแมลงพึ่งประหนึ่งดวงตาของชนทั้งหลายคอยรุมจึงรุ่งเรืองอยู่ทุกเมื่อ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 ระดับด้วยดอกผลและใบอ่อนกิ่งมงคลสาระนั้นไม่มีแรงรวนเรเหมือนใจชนมั้ไหพูดว่ารวลเรเหมือนใจใครแบบเหมือนใจคนนี่แหละมันเรรวนแบบนั้นมันหว่นไว้ไปหมดเลยมั้งกันไอไอต้นสาระเนี่ยนะมันก็มันเนี่ยน้อมเก่งเนี่ยมาจนถึงฝ่ามือของพนางลําดับนั้นพนางก็จับกิ่งสาระนั้น ด้วยพระกรที่ทำความยินดีอย่างยิ่งข้างขวาซึ่งงามด้วยกำไลพระกรทองใหม่มีพระองคุรีกลมเกรงดังกลีบบัว น, นะเนเหมือนลำเทียนะนะอันรุ่งเรืองด้วยพระนาคขานูนมีสีแดงเรียกว่าเล็บนางเนี่ยโนนแดงพระนางประทับยืนจับเก่งสาระนั้นมี น, นะเป็นพระราชเทวีงดงามเหมือนจันทะเลขาอ่อนๆที่หลอดลืบ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 ขณะที่ประสูตรเหมือนไรเหมือนกับพระธรรมกรถึกลงจากธรรมาหรือเคยเดินลงบันไดไหมบอกอย่างงั้นแหละทันไดนั้นเองเท้ามาหาพรหมผู้มีจิตบริสุทธิ์สี่องคอ์ผู้ที่มามารับเนี่ยนะมารับคันเนี่ยต้องเป็นพรหมอรหันด้วยนะพรหมผู้มีจิตบริสุทธิ์หมายถึงพรหมขีณาศพผู้เป็นพระอรหันต์ก็ถือขายทองมารองรับพระโพธิสัตว์ด้วยขายทองนั้นวางไว้เบื้องพระพักของพระชนนีเสร็จแล้ว เท้าหมาพรมก็ตรัสว่าดูก่อนพระเทวีขอจงทรงยินดีพระไทยเถิดให้ดีใจเถอะโอรสของพระองค์มีศักดิ์ ม, กมากเกิดขึ้นแล้วใครว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากเลยนะปกติแล้วสัตว์อื่นๆเมื่อคลอดจากคันมารดาปกติจะเปะเปื้อนด้วยของปฏิกูลไม่สะอาดออกมาด้วยฉันใด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 เขาบอกว่าเหมือนเพชรบนผ้าว่างั้นนะออกจากพระคันพระชนนีปกติแล้วผิวของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะไม่เปื้อนด้วยน้ำพระองค์เนี่ยพูดตรงตรเลยไม่ต้องท่าส่งน้ำไม่ต้องเช็ดตัวนะฝุ่นก็ไม่เกาะเป็นคนที่เปล่งปลั่งอยู่ตลอดเวลาจะเวลาไหนก็แต่งปลั่งว่างั้นเหมือนอะไรเหมือนแก้วมณีที่วางบนผ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะ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 ยมก็บอกว่าเอาน้ำมาถวายเมื่วานบอกนีมนฉันน้ําทิพ์เขาว่ากันลราก็นึกเอ้่น้าเป็นยังไงน้ําทิพตเขาบอกว่าน้ําที่ปราศจากท่อแต่เปิดก๊อกแล้วไหลได้อนะเขาบอกพวกเราทําบุญมาเท่าพระโพธิสัตว์ไหมเราไม่ได้เท่าเลยแต่ขนาดนั้นก็ยังมีอะไรนะทอก๊อกน้ําร้อนก๊อกน้ําเย็นอยู่สองก๊อกใช่ไหมเอามาหลือไปดูไม่เคยไปกตักเองหรอกนะเลยไปเห็นแล้วเห็นไหม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 ซึ่งสมมติกันว่าเป็นผ้ามงคลเนี่ยนะรับจากพระหัตถ์ของเท้ามหาพรหมปกติพรหมนี่จะอุ้มให้ให้แม่เนี่ยดูก่อนพรหมอราหันตะ์อุ้มให้ดูก่อนเสร็จแล้วเท้ามหาราชคือเท้าจาตุ ม, มหาราชทั้ง4ี่องค์ก็เอาผ้าขนสัตว์มารับจากมือของเท้ามหาพรหมแล้วก็ยืนรับพระโพธิสัตว์ไว้ด้วยตะข่ายทองมนุษย์ก็เอาเบาะผ้าเนื้อดีรับจากพระหัตถ์ของเท้ามหาราชทั้ง4นั้นพระโพธิสัตว์พอพ้นจากมือมนุษย์ ก็ยืนอยู่ที่แผ่นดินมองดูทิศตะวันออกหลายพันจักรวาลก็มีลานเป็นอันเดียวกันบอกพอมองปั๊บเนี่ยไม่ได้มองแค่16โยชนะหรือมองแค่สิบยีกิโลมองเห็นเป็นพันจักรวาลในทิศตะวันออกเอางี้เลยว่าว่าจักรวาลเนี่ยสมมติถ้าเรามองไปทิศตะวันออกนะถ้าเห็น1จักรวาลเอาเม็ดทรายมานับเม็ดหนึ่งนี่หนจักรวาลถ้าทรายแสนเม็ดก็แสนจักรวาลถ้าทรายล้านเม็ดก็ล้านจักรวาลบอกว่าทรายทั้งโลกหมดไปก่อนจักรวาลในทิศตะวันออกยังไม่หมด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 เพราะฉะนั้นระดับเสมอยังไม่มีสูงกว่าไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วพระองค์ก็เลี้ยวดูทิศทั้งสิบทิศนะนะทิศใต้อ่าก็ทิศหมายคือว่าทิศข้างหน้าทิศข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็เฉียงเฉียงอีกก็สับวางอีกนนัก็รวมเป็นแปดทิศทิศบนทิศล่างสิบทิศพระองค์ลืมตาดูหมดแล้วไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนจะกล่าวไปใหญ่ถึงคนที่ยิ่งกว่าไม่มีฉะนั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็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 ดแต่นั้นย่างเก้าที่เจก็หยุดยนะเดินไปครบเจ็ก้าก็หยุดแป่งอาสพิวาจาว่าอะโคหมามัสมิโลกัสสะเชโทหมามัสมิอะนะเชเทโทเศโทอะนะหามัสมิอายามันตินติชานิปุณาโวเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเนี่ยนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไป